ความนำพุทธศาสนาคือระบบการพัฒนาความสุขในพระพุทธศาสนามีการกล่าวถึงความสุขชื่อต่างๆหลากหลายมากมายและจัดแบ่งไว้ทั้งโดยขั้นและโดยประเภทเป็นสุขสองอย่างสามอย่างสามขั้นห้าขั้นจนถึงสิบขั้นสูงขึ้นขึ้นไปจนถึงความสุขอย่างสูงสุด ลองดูชื่อความสุขในคำภีทั้งหลายจะเห็นว่ามากมายเหลือเกินที่สำคัญก็มีไม่สำคัญก็มีเช่นว่าบริโภคสุขอุปโภคสุขโภคสุขกายสุขจิตตสุขกายิกาสุขเจตสิกสุขกามาสุขสามิสุขหรืออามิสุขอิรามิสุขอุตุสุขเกียรติสุขอุตุชนสุข มนุสยสุขทิพยสุขมหาชนสุขสรรพโลกสุขมธุรสุขอุศรสุขธรรมิกสุขภาวนาสุขนิตยสุขสังสารสุขโยคสุขโลกิยสุขโลกุตระสุขวัตตสุขวิวัตตสุขโอลาวิกสุขสุขขุมสุขสมาธิสุขฌานสุขวิปัสนาสุข อริยสุขอนริยสุขวิเวกสุขสันติสุขวิโมคสุขวิมุตติสุขสัมโพธิสุขบรมสุขดังนี้เป็นต้นทั้งนี้เมื่อพูดในแง่การปฏิบัติท่านกล่าวถึงความสุขต่างๆพร้อมทั้งบอกด้วยว่าอย่างไหนขั้นไหนดีอย่างไรยังมีข้อเสียอย่างไรความสุขอีกอย่างหนึ่งหรืออีกขั้นหนึ่งดีกว่าอย่างไร การบอกให้รู้ว่าความสุขมีมากมายแล้วก็มีความสุขที่ดีกว่ากันสูงกว่ากันขึ้นไปก็เป็นการบอกให้รู้ว่าเราจะต้องมีการก้าวหน้าหรือพัฒนาขึ้นไปในความสุขหรือให้ถึงความสุขที่สูงขึ้นไปขึ้นไปเหล่านั้นด้วยเป็นอันว่าความสุขมีมากมายมีหลายขั้นหลายระดับหลายประเภทและความสุขนั้นพัฒนาได้และทุกคนก็ควรจะพัฒนาขึ้นไป จนกว่าจะถึงความสุขที่ดีเลิศยอดเยี่ยมที่สุดทีนี้การที่มีความสุขมากมายหลายอย่างหลายขั้นและสุขอย่างนั้นดีกว่าแล้วอย่างโน้นยังดียิ่งกว่านั้นอีกตลอดจนว่าเราควรพัฒนาขึ้นไปให้ถึงความสุขที่สูงขึ้นไปนั้นก็แสดงว่าความสุขขั้นนั้นๆถึงจะดีแต่ก็ยังมีความไม่สมบูรณ์เรียกอย่างภาษาพระว่า มีข้อดีและข้อด้อยตรงนี้สำคัญเมื่อเราจะพัฒนาก้าวหน้าไปได้ก็ต้องรู้ข้อดีและข้อด้อยเป็นการจับจุดให้ชัดและจึงจะพัฒนาไปได้ดังนั้นพระพุทธศาสนาเวลาพูดถึงอะไรก็จึงบอกให้ดูทั้งข้อดีและข้อด้อยหรือข้อดีและข้อเสียของสิ่งนั้นๆเรื่องนั้นๆพูดตามภาษาพระ ข้อดีเรียกว่าอสาทะข้อดอยเรียกว่าอาทินวะคําว่าอาทินวะบางแห่งท่านใช้คําว่าอาทินบความหมายเดียวกันนะครับยิ่งกว่านั้นยังมีด้านที่สามต่อไปอีกว่าจะต้องมีนิสรณะคือทางออกหรือจุดที่ไปถึงแล้ว จะพ้นจากข้อดีและข้อด้อยนั้นหมายความว่าไปสู่ภาวะที่สมบูรณ์หรือดีกว่านั้นทีนี้เมื่อพูดถึงความสุขแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ให้ใช้หลักแง่ด้านสามประการนี้มาตรวจดูด้วยว่าความสุขอย่างนี้ขั้นนี้ก็ดีนะมันมีอสาทะคือข้อดีอย่างนี้นี้แต่มันก็มีอาทินวะคือมีข้อด้อยข้อเสียอย่างนี้นี้ด้วย แล้วในเมื่อมันยังไม่สมบูรณ์อย่างนี้เราจะมีทางออกหรือทางพ้นไปจากสภาพที่ไม่สมบูรณ์นั้นอย่างไรจะได้หมดปัญหาปลอดโปรง่งโล่งไปได้เนี่ยแหละนิสระณะพอถึงจุดนี้การพัฒนาก็เดินหน้าต่อไปได้เท่าที่พูดมานี้เป็นการบอกให้รู้ว่าทางพระพุทธศาสนาถือว่าความสุขมีมากมายแตกต่างหลากหลาย และความสุขนั้นเป็นภาวะที่ต้องพัฒนาและการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาพูดในสำนวนหนึ่งก็คือการพัฒนาให้ก้าวไปในความสุขเหล่านี้เมื่อพูดมาถึงจุดนี้ก็จะเห็นว่าการพัฒนาความสุขเป็นเรื่องใหญ่และจะพูดว่าพระพุทธศาสนาคือระบบการพัฒนาความสุขก็ได้